เรื่องรุ่งรุ่นแห่งการปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยความหน่วยพรสิริสวัสดพีพัฒนมงคลความพาสุขทุก ป, ประการจงบังเกินมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่มีความสนใจไฝ่ในธรรม ผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ไฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยเท่กันทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้วเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังธรรมนิกถาในวันธรรมสวรรณเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ วันนี้อด้มาภาพได้มีโอกาสมากล่าวธรรมนิกถาทำบรรยายในทางสานีวิทยุกระจายเสียงแก่ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจไฝ่ธรรมคอยท่านนังหลายจงได้ตังออกตังแก่ฟังกันให้ดีจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้ อ, ขอคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนา ตื่ต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจกพิ่งมีในวันนี้ทามีคทถาที่จะนํามากล่าวในวันนี้อาจะมาคิดแล้วแล้วเหล่าเป็นเวลา น, านานวันมาแล้วที่เด็ดไม่มีโอกาสมาพบกับญาเยมพุทธบริษัทผู้มีความฝ่ายธรรมเนื่องจากวันหน้าที่การงานทางศาสตร์ทาฮมันเยอะ <c oughs> วันนี้เมื่อมีโอกาสแรกก็คิดไปขึ้นมาว่าเราจะพูดกันในเรื่องอะไรให้มันเกิดประโยชน์สอดคล้องกับสถานการณ์สภาพเป็นอยู่สภาพชุมชนสภาพแวดล้อมให้ได้รับประโยชน์จากสินจากธรรมจากศาสนานึกไปนึกมาก็เลยคิดว่าวันนี้จะขอพูดในเรื่อง รุ่งอรุณแห่งการปฏิบัติธรรมขอใช้คำว่ารุ่งอรุณคำว่ารุ่งอรุณนี่คือยังไม่สว่างดีที่คนโบราณอีสานเราเรียกว่าคอนสิแจ้งเจิสีหงเสิงสางไก่กระการปีตบสัวแซวคันสันเสียงนี่นั่นค้นบกจอแจคูควมเข็สุริงเงียดสองเหียมเงื่องฝาสว่างมาก จนจ ะ, จะสว่างแต่ฟ้ายังไม่สางมองเห็นฟ้าที่สว่างเรื่องเรื่องยู่ทางด้านทิศตะวันออกเสียงดูเบาแววมาจากยอดไม้ไผ่พฤกสมทุมผู้ไม้ริมลำธารละหานห้วยสมัยโบราณแต่สมัยนี้กวาวมันไม่มีพูดอย่างนี้ก็พูดบรรยากาศโบราณคลิปถึงตอนดังเด็กๆบ้านของอาตมาอยู่ริมห้วย ริมคลองป่าดิบดงดาสมัยก่อนจวนสว่างนกกระว่ามันร้องแม่ก็ปกไปตามข้าวคกมองสมัยก่อนโน่นไม่มีลงสีถ้ายังจาได้ <c oughs> นั่นเรียกว่ารุ่งอรุณรุ่งอรุณในเมื่อมีรุ่งอรุณอยู่ความสว่างสวัยก็จะตามมาถ้าหากไม่มีเมฆมีบอกมาบดบังพระพุทธเจ้าท่านเคยพูดเปรียบเทียบบ่อยๆว่าพิษุทธิทางหลาย เมื่อดวงอาทิตย์กูไทยอยู่ย่อมเห็นแสงอรุณมาเป็นปุพนณมิตรฉันใดความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิคือความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องว่าดีเป็นดีชั่วเป็นชั่วเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ถ้าเราเข้าใจอย่างถูกต้องพุทธยาณบอกว่ารุ่งอรุณแห่งอริยมรรค รอรุณแห่งพระนิพพานอย่างไรยังไงก็ต้องตามมาแน่นอนถ้าเข้าใจถูกอย่างนี้ความเข้าใจถูกต้องมันก็ส่งให้เกิดความคิดความฝ่ายฟันความปราถนาที่ถูกต้องแล้วก็ส่งต่อไปให้เกิดการพูดจาที่มันถูกต้องที่มันดีมันงามส่งไปจนถึงาการกระทาที่ถูกต้องส่งไปจนถึง การเลี้ยงชีวิตยอย่างถูกต้องไม่มีการเบียดเบียนตนเองผู้อื่นตรงต่อไปทั้งการพากเพียพรพยายามที่จะให้มันถูกต้องเพื่อรักษาความถูกต้องเอาไว้เพื่อจะป้องกันสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเพื่อจะจัดสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้สิ้นไปหลังจากนั้นมันก็จะมีความรู้สึกตัวอย่างถูกต้องและสุดท้ายก็จะมีจิตใจ อันปกติมั่นคองอย่างถูกต้องแล้วมันก็จะถึงความหมดปัญหาอย่างถูกต้องเรียกว่าสัมมาวิมุตมีความเห็นอย่างถูกต้องความรู้อย่างถูกต้องสัมมาญาณนะทั้งหมดนั่นก็คือสมมติผูดเป็นภาษาพระมันลาบากก็เลยพูดภาษาบ้านเราอย่างนี้เหตุใดที่จะต้องเอาเรื่อง รุ่งอรุณแห่งการปฏิบัติธรรมมาพูดเพราะเหตุว่ามีเรื่องราวอนุสนที่จากความรู้สึกในวันนัดพบผู้ไฟธรรมที่ผ่านมาดังกลับการนัดพบผู้ไฟธรรมที่ผ่านมาวันที่สิบถึงสิบเจ็ดกุมภาเจ็ดวันเจ็ดคืนซึ่งเรื่องนี้อัดมาก็คิดไม่ถึงอีกเหมือนกันว่า ประชาชนผู้ฝ่ายธรรมทั้งหลายจะเดินทานงกันมามากมายถึงขนาดนั้นมีความคิดเล่นเล่นว่าตลอดเวลาที่เราได้รับนิมนต์ไปปาฐกถาธรรมในที่ต่างๆในงานปริวาสกรรมในงานอบรมประชาชนอะไรต่างๆเพื่อเกื้อพุกภาคในประเทศไทยได้เห็นทั้งสิ่งที่ดี เพื่อพระศาสนาและสิ่งที่ไม่เข้าท่าชอบมาภาคกนก็เคยเห็นบางแห่งดินขนาดว่าจัดงานปริวัตรกรรมแล้ว <c oughs> เอาพวกนักบวชขอขาวแม่ขาวที่เรียกว่าชีพามตอนเย็นมาเอารถติดประกาศไปโฆษณาว่าชีพามพระสง์องค์เจ้าจำนวนมากจะมาบิณฑบาต ท, ที่หมู่บ้านของท่านขอท่านดังหลายจงรอคอยที่จะทาบุญกรากบาปอนุเคราะห์ แก่พวกนักบวชทางร้ายเป็นบุญเป็นกุศลแก่ท่านเป็นโอกาสดีที่ท่านทังรลายจะได้ทำบุญกับพูดดีมีิีงมีธรรมประกาศไว้จนทั่วเช้ามาก็เอารถบรรทุกของแม่ขาวพ่อขาวอะไรต่างๆนี่เดินทางไปไปบิณฑบาตกันแล้วก็บอกว่าบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งส่วนข้าวสุกนั้นไม่เอา วันวันหนึ่งบางครั้งได้ดังยี่สิบสามสิบกระสอบพอปีนี้คนก็ได้ขาด่าวได้ปลาพอได้มาแล้วก็เอาใส่รถไปกระสอบไปเที่ยวขายเข้าสารเห็นแล้วก็น่านึกเป็นห่วงน่าสมเทพเวทนาว่าการกระทำอย่างนี้มันถูกต้องดีงามแล้วหรือมันเป็นการ แอวงหาทางราบสักการะมุ่งไปที่วัตถุเอาบุคคลเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือเป็นปริวาทพาไม่เป็นพุทธภาทั้งนี้ก็ไม่สบายใจนึกต่อไปว่าโอ้ศาสนาของพระสมณะโคดมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะอยู่ยั่งยืนนานโดยประการนี้คงจะเป็นไปไม่ได้แน่ๆคิดแล้วคิดอีกและประเทศในที่ต่างๆ ก็เคยพบเคยเห็นคนที่มาบวชชีพาก็ดีพระทรงองค์เจ้าส่วนมากพันตาสองพันตาสามพันตายังหนุ่มหนุ่มยังใหม่ใหม่ยังเป็นหน้าวะกะกามีความคิดรักพระทรงองค์เจ้าเหล่านี้ท่าทันท่างหลายเหล่านี้มีอุเบการณ์เพื่อพระศาสนาบวชมาเพื่อศึกษาศินสมาธิปัญญาเพื่อทําลายความยึดมั่นถือมั่นเพื่อทําลายกิเลสละตัญหา ท่านก็จะได้เป็นร่มโพ ร, ร่มไสเป็นที่พึ่งทางจิตทางใจของประชาชนชาวบ้านเป็นแดบดบเป็นอย่างที่ดีที่งามแต่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ยังอยู่ในวัยแสวงหาอย่างระแหงเร่ร่อนกันอยู่ว่าตรงไหนจะถูก อ, อกถูกใจกันที่ท่านเร่ร่อนไปเข้าปริวาต์กรรมเดียวเข้าบ้านนี้เดียวเข้าบ้านโน้นหรือว่านักล่าปริวาตความจริงนั้นเหมันมีประโยชน์เหมือนกัน มีประโยชน์คือท่านที่อยากบวชใหม่เหล่านี้ได้รับประโยชน์ได้อาชีทางอุดมการทางสติปัญญาบางคนคิดจะสกแต่เที่ยวไปฟังไปแล้วก็เปลี่ยนใจเออศาสนานี่มันมีอะไรดีๆเกิดแนวคิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาก็อยู่กันต่อไปแต่ก็น่าเสียดายในปริวาท ต, ต่างๆนั้นไม่ค่อยได้เน้นกันในทางสมาธิภาวนา มีแต่ส่วนมนทรธรรมวัดแปลทั้งโยมทั้งผระก็ดีอยู่ดอกแปลนั่นดีแน่ๆเสร็จแล้วก็ฟังนิมนต์วิทยากรครูบาอาจารย์ญาติโยมที่ตรงคุณนภุษ ธ, ธิเปลี่ยนหน้ากันมาเทศมาสอนบางทีก็ฟังไปม่วง้าว้าวนอนไปการนี้ได้ฝึกเก็บให้เป็นตมาธิอะไรนั้นมันมีน้อยทาวัดเจดกมาโอกาสาโอกาสานโอกานีค่ะพระเจ้าจะสมาทานเอาเส่งพระกรรมฐ า, าน ขอให้คณิกะสมาธิประกาอุปจ า, ารสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัปนาญาณจงเกิดมีในขันธสันดานของข้าพเจ้าโดยข้าพเจ้าจะตั้งสติไว้อยู่ที่ลมหายใจเข่าออกว่าเข้าไปนะัน่งแลวก็นั่งไม่ถึงห้านาทีสัํมก้นยังไม่อุ่นเลยสมควรแก่เวลาแล้วแล้วก็ออกมาไม่ค่อยจะได้ประโยชน์ เอ้ไปเค็ดมาเป็นห่วงศาสนาะคนที่สนใจทางสิ้นทางธทําทางสาบตันะยังมีเยอะและวอ่าโยมทั้งหลายก่อ ย, ยังสนใจที่จะให้การอุปรัธรรมคําคชุนทําบุญสุ้นโตรรทานแก่ผู้ไปทําตั้งหลายลเอะลาเอ้าบานเรานี่ก่อทุกยากลําบากบานหนอกของหน้าไอถ้าจะเชิญชวนท้านดั้งหลาายมารวมกันเนี่ยจะมีการ เลี้ยงดูกันสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์กันไหวหรือไม่นอ้อยังนึกไปนึกมาก็เลยลองทำใจกล้าดูใจกล้ากล้าดูเดึกใจรักพระพุทธศาสนาก็ mm hmm. เลยประกาศเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนผู้สนใจไฟทํามาร่วมในวันนัดพบผู้ไฟธรรมที่นิเพธปารามบ้านแพทย์เอเภอคำตก้าจังหวัดสกลนครเจดวันเจคืน อบรมสมาธิภาวนาสมาธิปริวาสเพื่อพัฒนาคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตและสังคมให้ร่มเย็นขึ้นมานี่ประกาศไปอย่างนี้ไม่ได้มีโฆษณาอะไรมากก็ได้อาศัยสถานีวิทยุแต่ชายเสียเก้าูนย์เก้านี่แหละคุณ ส, สาคอนบัางคุณโยมประสิทธิ์บัางคุณโยมผู้หญิงมีรายการก็ช่วยกันพูด นึกไม่ถึงเลยว่าคนจะมามากมายกลายกองขนาดนี้ปรากฏว่าเราก็พูดหนักๆโดยเฉพาะพระสงฆ์องค์เจ้าห้ามไว้ล่วงหน้าหาอหายังสูบบุหรีย่งเคี้ยวมายังติดยาเสพติดเหล่านี้ยังมองไม่เห็นโทษเห็นอาร์ทีนวะนิสลระณะสิ่งเหล่านี้ก็อย่าเพึงมาเลยจะเป็นตัวอย่างไม่ดีไม่งามแก่ยาโยมพุทธบริษัทเล่นเอาพระสงฆ์องค์เจ้าหน้าความห่างหงาย เียรชังน้าหน้าค่เป็นจํานวนมากอาเวโล โ, โฮมิข้ า, าเป็นพวกไม่มีเวรให้อภัยกันท่านที่เป็นขี้ยาทั้งหลายคงจะโกรธเรื่องเล็กๆ่น้อยเหล่านี้เราทั้งหลายมองข้ามกันหมดถ้าเป็นสมัยพระพุทธเจา้าแล้วก็ท่านของสายหอัอวพิสุกที่ท่านกล่าวว่าสมณะพามบางจําพวกปฏิญาณตนเป็นสมณะเป็นาพามแต่ยังไม่รู้ ซึ่งอสาสาทะเยือร่รสอร่อยอาทินว่าโทษอันต่ำสามมิสรรณะทางออกตัวอสาทะนัคือยาเสพติดละหาทินว่านันคือโทษของยาเสพติดไปหนังสมาธิห้าวงามงับไม่ดสบรไม่ได้กินมากจิตใจก็ว้าบุ่นบางแห่งขาบบุหรี่ปุย้ยออกไปบินธบาคุยกันสักดีนาะ น่าเป็นห่วงจุดนี้มองข้ามกันเลอกเกินมองข้ามกันเลอเกินกลายเป็นของดีของชอบก็เลยห้ามเอาไว้อย่าได้มาเลยใครยังอดไม่ได้ไม่ว่าพระจะไม่มาคงจะด่ากันเป็นกระบุงกระบุงที่ไหนได้ถึงวันเข้าจริงๆโอ้ยมากมายกลายกองตั้งแต่แม่ห้องสอนลงมา ทางใต้ยันชมพอนตะวันออกยันจังหวัดตรา้าอีสานของเรามากันกับทุกจังหวัดญาเจอมาบวชในครรมจารีเนกรรมจารีนีใต้ร่มเงาแมกไม้คราเพลือกไปหมดเลยเป็นภาพที่แสนประทับใจที่สุดคนเป็นห้าร้อยกว่าคนเงียบไม่มีเสียงพูดเสียงคุยแล้วนั่งสมาธิกัน ชาวิสองชั่วโมงเย็นสองชั่วโมงหลังจากนั้นค่อยฟังการบรรยายปาตกรถาอบรมข้อวัดปฏิบัติไปทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปเห็นแล้วก็เกิดมีความรู้สึกอนุมโมหนาะชื่นชมยินดีว่าโอ้นี่มันเป็นการรุ่งอรุณแห่งการปฏิบัติธรรม นี่คงเป็นรุ่งอรุณเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าความสว่างตะไวจะต้องตามมาเหมือนขอสีแจงจนสิหงเซิงสางไตก่กับกลางติกตบตัวเซวขันสันเสียงนี่นั่นคนเบาจอแจครูควงเข็ดสุริเยนศองหยี่ยมเนื่งฝ่าสว่างมากสัตยยุ่ยไต่ลมฝ่าสู่สำสารพัดทั้งปากกัดตีนยันเผื่อชีวันอันนี้โทควีพันสันขอบทิ้งกันหยาดแห ง, งสวัสดิหาเผื่อปากของมาปองเหลี่ยงม า, ามตน้น คนโบราณท่านบอกไว้อย่างนี้เสริงสางชวนจะสว่างอันนี้ก็คล้ายๆกับจะเป็นบุพนณมิตรให้เรารู้ว่าพุทธศาสนานี่ยังคงมีอยู่ยังเจริญรุ่งเรืองอยู่เพราะยังมีคนประพฤติธปฏิบัติมีผู้คนจำนวนมากเมื่อมาถึงแล้ว บ, บางคนดีใจจนร้องไห้น้ำตาไหลภ า, ากออกมาด้วยความปลาบปื้มปีติวันนั้นเราอยู่กันมาหักะดันคืน วันที่สามที่สี่มาฟ้าร้องโคนคางนเล่นเอาพวกนักบวชเนกธรรจารีเนกธรมาจารีนวิ่งกันจ้าระวันวัดก็ไม่มีศาลากติหลังเล็กหลังน้อยอาจเข้าไปกันเป็นปากปับปองเฮ่ 5, ่ข้าวฟันก้อนกันทั้งคืนเห็นแล้ันมาชื่นชมอนุมโอธนาฝนก็ไม่ตกฟ้าร้องเฉยๆตกนิดๆหน่อยๆ ไม่พอจะเปรียกคล้ายๆกับจะเป็นหยาดน้ําตาแห่งความปราบปื้มปีติยินดีอนุโมทนาแห่งโมมวนเทพเจ้าเหล่าเทวาเทวดาฟ้าดินที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบอนุโมทนาชื่นชมยินดีปรีดาปราโมทอะไรทํานองนั้นแหะเมือนวันที่จะจากกันฟ้าร้องกลางคืนฝนตกพอเป่าแปะเป่าแปะไม่เปียกแต่เราทั้งหลายก็หวาดกลัวกัน แต่ก็ไม่นีิอยู่กันจนครบวันอันนี้หน้าอนุโมทนาทำให้มีความรู้สึกว่าที่คนบราณท่านเคยพูดเอาไว้นั้นไม่ผิดาศาสนาพระเจ้าองค์ประเสริฐสพานโ่ล่างเธอบกล่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฝ้าพระจันทร์ข้างขึ้นมันมืดข้างแรมมันสว่างสว้พระาศาสนาพระธรรมดีในนี้ก็เหมือนกันบางครั้งก็เสื่อมสุดจนไม่มีคนสนใจ อยู่กันไปวันวันแต่บางครั้งก็เริ่มเจริญขึ้นมาเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นแต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราประมาณห้าสิบหกสิบปีมาก่อนนู่นไม่เคยพูดถึงเรื่องสมาธิภาวนาเรื่องการฝึกจิตฝึกใจอาธิจิตติกขาอียาวาตเดโยมทีนี้ก็ไม่แต่พระเราก็ไม่สนใจสมัยก่อนที่ไม่สนใจนั้นไม่ได้หมายความว่ า, วาท่านโง่ ที่ท่านไม่สนใจเพ่อสมัยโ น, น้นความทุกข์ที่จะมาบีบคั้นจิตใจของคนไม่มีมากเท่าทุกวันนี้คนสมัยโบราณมีความสุขใจมากกว่าสมัยนี้ข่าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านมีความสุขใจดำนาแล้วสุขใจข่าวขึ้นบ้านแล้วก็สุขใจสาบายใจเอาบุญพาเวทสันดอนเสร็จแล้วสาบายใจ อาวนกระหินเส็นแล้วก็สบายใจแจกข้าวแจกน้ำแก ผ, ผู้ล้มหายตายจากไปแล้วสบายใจงวัวปลา ย, ยัางไรเห็ดก่อนเสาเขาเก่าเห็ดฝุ่นม้อนอะไรต่างๆพวกนี้รู้ว่านแต่เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นความสบายใจในเมื่อมันสงบมันร่มเย็นยอยู่อย่างนี้ความเดือดร้อนไม่มีก็เลยไม่ต้องกัดตอร้อนที่จะต้องไปสแสวงหาสิ่งเอื่นมามากไปกว่าความเสร็จะเบิดความสุขสบายทางจิตทางใจ คนโบราณมีความสุขง่ายมากกว่าสมัยและมีความทุกยากขนาดผิดหวังจอกชามคนโบราณไม่ค่อยจะฆ่าตัวตายกินยาตายเพราะจิตใจนั้นบึกบึนเข้มแข็งอดทนรู้เท่าทันหยองอย่างในกาบใดก่อนเรื่องลึกประศูนหรือว่าลึกลบบ่อสนในเรื่องสุดที่อาวสุดที่อาวมันมีสมที่คิด สุดที่เอาวอย่างลบไม่ศูนย์บังรหัสสุดที่เอาโ อ, โอ่นั่มเจา้าอยู่บอเศร้าผิดหวังชอกชำ้ำขมขื่นเรื่องความรักก็เขียนกันขึ้นมาแต่ในเรื่องนั้นยังสั้นปริศนา ร, รมถึงความเข้มแข็งของจิตใจคนโบราณทิดต่อ อ, อ่อยอ่อยพัเกิดเป็นเล่าคือต่อเล่าแข้มข้องพันเราเป็นกอไข่คิต่อหนามวังไซทังมาคุณขิต่อกอดอกสอนเพื่อเขาผนบอ่อไล่ จิตตน้าทงหล่งน้องทรงแมวเพิ่นกะเช้าคือต่อหน้าหนอกบาด ท, ทั้งสาเพิ็นกระสิ่งขันบดได้หนวยแก้วดวงประเสริฐมหาเพ็เพียสิลบขึ้นเมื่อไปปวดเป็นเทนเถาตั้งต่อบาลมีส่างเอาบุญเป็นทีเพิงปาะธนาหน่วยแก้วพิร่าเข็มสาตติมาในท้อนว่าัดร้างเธอพ่อหน่วยแก้วไพ่หนาสาตติมา ทั้งหมดนี้อธิบายถึงเรื่องความผิดหวังชอกช้ำขมเขินมองหมางระหว่างหวังหวังเอาไว้แต่เสร็จแล้วไม่ได้ดังหวังแทนที่จะต้องมากินยาตายปืนยิงหัวตนเองตายผูคอตายเหมือนคนสมัยนี้ไม่มีคนสมัยโบราณยังบอกว่าบดเเดนวยแก้วดวงประเสริฐมหาเผ็ดปีสิลบขึ้นเมื่อไปบวชเป็นเทนเถาตั้งตอบาลและนิสงเอาบุญเป็นทีเพิงหมายก็ว่าเมื่อผิดบังชอกช้ำแล้ว จะต้องกลับไปรักษาหัวใจเข้าวัดเข้าวาสมาทานศีลและประพฤติพุทธธมรรมจันทร์ให้จิตใจสงบร่มเย็นเป็นบุญเป็นกุศลเผื่อว่าชาตหนามีและสร้างบุญให้ทันถ้าเกิดพัฒนาจิตใจให้มีศีลให้มีสมาธิมีปัญญารู้เท่าหันกองสังขานกันจริงๆได้ม า, แ ล, า, าแล้วดีใจเสียไปก็โศกเศร้าเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดผ่าผ่าจากกัน น้ำหูน้ำตาหลากลังไหลมากกว่าน้ำในมหาสมุทรในสังสารวัติบัดนี้จะต้องมาร้องไห้มันทำไมรู้เท่าทันเ ท, ทนเท่าก็ไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี่ก็ไม่ต้องสนใจอะไรอีกเลยนั่ น, นคนโบราณท่านมีอิมมินิตี้ขอพิผูภาษาฝรั่งว่าอิมมิวเนิตี้ปามต้านทา น, ทานความทุกข์างจิตใจเรียกว่าอิมมิวนิตี้ออฟสติิชน เพิต้านทานทางวิญญาณทางจิตใจมีสูงมากไม่มีทุกข์ผูคอตายกินยาตายได้ไง่ายๆโลกสมัยปัจจุบันมีความทุกข์มากมีความสุขลํา บ, บากมีความสุขน้อยมีความทุกข์ได้ไง่ายๆไม่ไม่ได้ดังใจนิดหน่อยก็มีความทุกข์ผูกคอตายกินยาตายเป็นโรคประสาททั้งนั้นที่โลกจเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไป ถึงยุกกดปุ่มพุส ต, ต์ปัตตนเอดน้ำไหลไฟสว่างหนทางดีไปมาสะดวกสบายค ม, มานาคมทางบกทางน้ำทางอากาศไปมาสะดวกสบายแต่จิตใจของคนสมัยนี้ถึงแม้จะคับขังหลังไหลด้วยวัตถุอินทรีย์ด้วยเมทริเลียนมากมายเลยวะคับขังหลังไหลทางกายนั้นมันคับขังหลังไหลแต่ทางจิตใจอ้าววังวาว่าเวลโลลิเนทคนในสังคมไว้ใจกันไม่ได้เห็นกันเป็น บุคคลแตกหน้าเห็นกันเป็นมนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้ทั้งหมดนั้นเพราะความขาดสินค้าธรรมทั้งเขาทั้งเราทั้งสังคมทั้งหมดสมัยนี้จึงขาดแฉนอิมมินิตี้ที่เรียกว่าภูมิต้านทางจิตโครคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้มากโรคเอดส์นั่นก็ว่ามันเกิดมาจาก Car mm ity, ขาดอิมมิวเนิตี้ขาดภูมิต้านทานภูมิต้านทานท า, นทางกายเกิดโรคเอดสภูมิต้านทานทางจิต ยิงเกิดโรคกีเลตเกิดโรควิญญาณกัดกุ้มเทนชั่นตึงเครียดประเทศที่ยิ่งเจริญยิ่ง่าตัวตายมากยิ่งภูเขาตายมากกินยาตายมากอย่างสหรัฐอเมริกาเดียวนี้ญี่ปุ่นหนำหน้าเพราะญี่ปุ่นเจริญกว่าญี่ปุ่นก็เกิดโรคโคราชิสปอกอริบายอ็อคือโรคตายกระทันหันตายเพราะงานหนักตายเพราะความเครียดชีวิตเต็มไป ด, ด้วยการดิ้นรนยื้่ย่งแสวงหา สังคมเต็มไปด้วยการแข่งขันจะต้องแข่งขันกันให้ได้แข่งขันกันมีแข่งขันกันเป็นแข่งขันกันเด่นแข่งขันกันดังซอฟต้องได้ทีหึ่งเข้ามหาวิทยาลัยไปไหนต่องได้ถ้าตกแพ้ไม่ได้ฉันยอมแพ้ไม่ได้เมื่อแพ้ไม่ได้ก็ตายเสียดีกว่าปอกกุริใบโอโครายซีอย่างที่ญี่ปุ่นเขาเป็นประเทศที่ยังไม่จเจริญทางวัตถุมีภูมิต้านทานทางจิตมากตายยาก เพรานั้นในสมัยพ่อแม่ปู่ยา่าตายายของเราเนี่ยท่านมีภูมิต้านทานทางจิตคือมีสมาธิธรรมชาติการที่มันมีธรรมชาตินั้นก็เพราะว่าสภาพแวดล้อมมันดีไม่มีอะไรมายั่วย้อมมัมเมาจิตใจให้ไร้หลงให้ยอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างทก็วันนี้มันเป็นน้ําที่ยังสายนิยมมันไม่ขุนอารมณ์คนไม่ขุนไม่กลุ้มไม่ม้วนด้วยการก็เฮือกะหายในทางการ ม, มารมในทาง วัตถุในทางได้ทางมีทางเป็นบานลังกน์น้อยก็นอนเป็นสุขใจเหมือนสวงสวรรค์ทํานาได้ข้าวมาใส่ยุงใส่ช้างหาปูหาปลาตามทุ่งตามท่าตามป่าตามเขามากินชีวิตรู้สึกจะมีความสุขมากๆเลยแต่เดี๋ยวนี้ยิ่งพัฒนายิ่งศึกษาก็ยิ่งไกลห่างจากความสุขเหมือนหูกระหายความสุขเบือนจบปริญญาแล้วก็กระหายความสุขเหมือนความสุขนั้นขาดแขนไปจากชีวิตเขาเนหลกเพราะนั้น พอทีมีความรู้สูงๆก็รับประกันไม่ได้ว่าจะไม่เป็นโรคประสาทจะไม่เป็นบ้าเป็นบอยจะไม่เป็นทุกข์เหมือนกับตาตีตาสานั่นในสมัยโบราณสภาพแวดล้อมดีสภาพบุคคลสภาพชุมชนโน่นก็พี่นี่ก็น้องปองดองกันนักหนาเขาเลยมีความสุขใจแล้วก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาพระทรงองค์เจ้าก็ไม่ต้องมาเทศมากอย่างอดามาทุกวันนี้ดอก ขึนธรรมาได้ก็ฮือใบลานมาเถรเหลืองนิทานชาดกอะไรจักจักบงวงบาปุนคุณโทษคนฟังแล้วกว็ไปเล่าให้หลกให้ล้านฟังโลกล้านฟังแล้วกว็าอายชั่วกลัวบาปประพฤติดีล่าชั่วกันไปไม่ต้องกล่าวมาไกลทั้งเหลืองสมาธิสมาถาวิปัตนาแต่สมัยนี้ เรามีความทุกข์มากสังคมเดือดร้อนบุ่นวายความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวร่างกายครับขังหลังไหลจิตใจอ้างว้างว้าเวพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ลูกเต่าไม่ค่อยสนอกสนใจอย่างเงี้ยมันมีแต่เรื่องที่จะนําไปสู่ความทุกข์ทางนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะเปียบน้ําก็คือน้ําที่มันขุนแล้วทํายังไงน้ําขุนใี่มันจริงจะใสเหมือนเดิม เราจำเป็นจะต้องหาสารส้มม า, วมากวนมาแกงให้สารส้มมันออกกทิเมื่อสารส้มออกกทธิ์น้นี่ก็จะใสลงมาและตะกอนมันก็จะนอนก้นสมาธิภาวนาฝึกจิตใจให้สงบให้ร่มเย็นให้รำหนับไม่กระวนกระวายไม่ห้อยหิวต่ออารมณ์ทั้งหลายนั่นคือสารส้มสารส้มที่จะมากวนมาแกง มาแช่ลงไปในจิตในใจซึ่งเปรียบสมือน้ำคือมันคนมันมัวพ่อเหตุนั่นงานนัดพบผู้ไปทาสมาธิปริวาสก็เกิดขึ้นแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายในวัดวาอารามต่างๆท่านก็จัดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเทศวันก่อนที่โ น, น่นบ้านพักกญญาจังหวัดอุบลกัญญาดอนแดนบ้านน้อยๆเจ็ดสิบหลังคาเรือนมีโบสถ์ มีซาลาจัดงานเก่าวันเก่าคืนไม่มีมอร้องมอรำไม่มีนั่งมีละครมีแต่ฟังเทศอบรมสมาธิภาวนา เ, เห็นแล้วน่ะอนุโมทนาชื่นชมแท้ๆบ้าน น, น้อยๆทำไมทำได้มีกระทั่งบดนั่นคือจิตใจมีสินมีธรรมมีความสมัครสมาสามัคคีกัน่งอาตมาก็เลยได้ไปเทศตรงนึ่นโยมมาอ่อนมาบอนเลือกเกินกาลัง อยู่ที่อำเภออั น, น่าจเจริญแม้เอารถมารอรอับมากับมาไหวไม่ไปจะร้องห่มร้องไห้ก็เลยไปโอ้บ้านน้อยๆมีโบสถ์มีวิหารแล้วก็จัดงานเ้าวันเก้าคืนไม่มีหลังนังไม่มีละครไม่ทำลายให้สูญเสียให้สิ้นเปลืองนี่เรียกว่าถอยหลังกลับคืนสู่ทางแห่งสิ้นแห่งธรรมเรียกว่าตับคืนสู่มรรคาอันสดใสภายใต้ ก้มกอดแห่งพุทธธรรมและก็เลยไปปาทกทะท้ธาธรรมปากรวบและชาชนลังไลกันมาไลายหมูบ้านบ้าน่อยจันลานบ้านตราอำเภอตรากาลเพื่อพ้อนก็มีอำเภอพันนาอำเภอหมอกสามสิบแมก็รู้ว่าอันอาจารย์ต้องพบเดินทางไปปาทกทะท้ธาธรรมบาลังไลกันไปและเป็นสือที่น่าสังเกตว่าในการกระทํานั้นดีแต่พระหนุ่มๆ น, น้อยๆเป็นผู้พากันจัดงานอายุพันตาสี่พันตาห้าพันตาลงมา ให้จันทร์งานกระตือรื้นพายาดยอมฝึกคัน เ, เห็นแล้วนะ่อาอโนโมหนนนึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าที่บอกว่าโยฮาเวทะฮารโพิกขุยุนชันติพุทธศาสนังโสอิมังโลกังปภาเซติอัภามุตโตวะจันทีมาแม้จะเป็นภิกษุหนุ่มเพิ่งจะบวชใหม่ๆ ห, หรือเป็นสามเณร ถ้ า, ามีจิตใจคว้นคว้าใฝ่ฝันในกิจการของพระพุทธศาสนาโซอิมังโลตังปพาเตตีเขาย่อมส่องโลกในี่ให้สว่างอภามุตโตะจันทิมาเมือนพระจันโครจร อ, ออกจากกลุ่มเมฆฉันนั่นเมื่อไปเห็นแล้วก่อนนึกขึ้นชมยินดีกับพระหนุ่มๆ น, น้อยๆหล่อนี่ก็เลยนึกต่อไปว่าโอ้เมื่อพระจันโครจร อ, ออกจากกลุ่มเมฆแล้วย่อมให้แสงสว่างแก่โลก กลัวแล้วเกินตัวไม่ ก, ไมก้อนใหม่ก้อนใหญ่ๆจะมาบดมาบังให้เสามองท้อแท้รันทดเมกลิงพนันหนุ่มเน้นน้อยที่ทํางานทําการเพื่อพระศาสนาอย่างอาจารย์มหาสมิทวัดพระใหญ่ที่นครพนมนี่ก็ยังหนุ่มยังน้อยจัดงานทุกปีเรียกว่าจัดงานปริวัตรกรรมอบรมสามาธิภาวนาเคยนิมนต์อาตมาไปแตทกจนแล้วจนรอกก็ไม่ได้ไปมันชา การมาบอกกล่าวกันมันถึงกันด้วยจดหมายมันชาบเคยไปเห็นพระนุ่มๆ น, น, น้อยๆทางานแล้วแม่ชื่นชมใจแต่ก็หวั่นไหวในหัวใจเหลือเกินวะกลัวจะเกิดมเมฆหมอกก้อนใหม่ก้อนใหญ่ๆมาบดมาบังให้เศร้ามองแล้วเราจะทําอย่างไรอันนี้ทําให้คิดพอไปถึงแล้วก็เลยครับอืมพระนุ่ม น, น้อยๆมากราบมาการท่านอาจารย์มาช่วยงานพวกผมมีกําลังใจที่เราเองก็ยังใหม่อีกเหมือนกัน เอาละในเมื่อเพื่อนฟงหมูค่นนะยกจ้องให้เติร์ดทูนให้เป็นบุรุษเขาเลยให้กับหลังแต่อยู่ตรงนั้นปาสกาธาทาํำยังไงโศกฝ่าเข้าไปหลายชั่วโมงหลายยกหลายรอบแล้วก็ถูกลากไปต่อไปอีกที่บ้านเปื่อยหัวดงอำเภออานาจเจริญหมู่บ้านเป็นพันๆ น, นั่นก็พระหนุ่มๆสี่ห้าพันสาเป็นผู้จัดอบรมประชาชนไปเป็นพันๆ น, นี่เราเห็นอย่างนี้ก็เลยคิดต่อไปว่าพวกพรนหนุ่มเนน้อยเหล่านี้ถ้าเกิดว่า สมมติว่ามีพระผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยจะมาพยายามขัดขวางการกระทำกรร ม, มวิธีหรือว่ากิจกรรมอันเป็นมงคลเหล่านี้ต่อไปพวกเหล่านี้ก็คงจะท้อแท้รันทดใจต่อไปก็จะทอดทิ้งสังคมไปเสียเพราะเหตุ น, นั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้กำลังใจยืนชันติปุทธศาาเสนโซ อ, อิมังโลกังปภาเซติอภามุตโตวจันติมา นั่งจะเป็นพิกศูหนุ่มเพิ่งจะบวชถ้าหากยังขวนควายในกิจการพระศาสนาโยคพลิกษุหนุ่มผู้เช่นนั้นก็จะยังโลกนี้ให้ส่องปรหวัติเมืองพระจันทร์โคโจรออกจากกลุ่มเมฆฉันั้น<ม>ถ้าเป็น<ม>หว่วงกันเหลือเกินในจุดนี้กลัวจะท้อแท้รันทศกันกลัวผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ให้การสนับสนุนและยังจะคลอยขัด ข, าดขวางท่าอย่างนี้ก็จะถึงความเสื่อมอีกอย่างหนึ่งถ้ามิเฉ่นนั้นก็จะต้องแข็งแกร่งที่สุด นึกถึงประเทศสีลังกาตกเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างศาสนาะทั้งโปรตุเนะกสฮอลันดาอังกฤษสักกระเพิง448ปีศาสนาพุทธก็ล้างลาวัดล้างไปเป็น แ, บแถบๆหมดไปจนพระหมดสิ้นในแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินกลับไปนักถึงศาสนาะคริปหมดแต่ยังเหลือสามเณรที่มีคุณภาพสามเณรสารนังก่อดคนนี้ไม่ยอมเปลี่ยนใจไม่ยอมซึกไม่ยอมไปเข้ารีด เที่ยวสอนญอาติโยมประพฤติปฏิบัติทำเองค้นคว้าหลักหนังสือตำราต่างๆที่เลื้อจากเขาเผาทิ้งในใบาลานในที่สุกก็สอนคนจนไปถึงพระกันของพระเจ้าแผมนดินสิริราชสิงหะได้นิมต์ท่านเข้าไปว่าทำไมไม่เคยเขา้าสึกกันหมดแล้ท่านเลยแสดงทำให้ฟังในที่สุดก็เอาชนะจิตใจของพระเจ้าแผ่นดินได้ ก, กลับมานับถือพุทธศาสนาหลังจากนั้นก็เลย ประกาศเป็นราชกิจจานุเบกขาขึ้นมาเชิญให้ประชาชนทุกคนมานับถือผู้สาตนาและไดมานิ ม, มนพระประเทศไทยในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมก่อกรุงสยุทธยาไปบวชเป็นอุปาชาบวชให้พวกเขาเขากนหัวเป็นหมืนม่นหมืน่นรอคอยเป็นหน้าเพราะเห็นนั้นผู้ศาตนาซึ่งรีแสงลงมาเหมือนหญ้าเส้นเดียวซึ่งกําลังจะขาดเมื่อถูกน้ําฝนโปรยปลายเกาะเกิดขึ้นมาใหม่คขี้ยไปหมดทั่วทั้งท้องทุง่งอันไพศาล นั่นชั้นใดก็ฉั น, นั้นพุทธศาสนามือนอาตะเกียงกำลังจะมอดหลีลงหลีล ง, ลงจนจะดับนี่ถูกเติมเชื้อน้ำมันเข้ามาใหม่มุนใส้ขึ้นใหม่ก็เลยลุกโผล่มาจนถึงทุกวันนี้เพราะเหตุแห่งฝีงมือสามนเนจระะนางกรขอนเดียวไลยสมัยไงปลาพน่านับหาลั่เป็นของหอมแก่นกันบ้องใหญ่ค่อนเต็มบากฆ่าเมื่อแสนมี่มากหาผูุ้กิบปากป๋อทำพระเจ้าบ่หน แม่มากลมาาหล่นในปาพระนาส่บอกหันล่าวีกันดาท่อหาเหลื่งค้นเท่าเขาดงนะฮาประโยชน์แกนมือใหม่นี่หน่อยตาส่วนด้วยคนโบนลาดพูดขอให้มีเธอแม้จะมีน้อยก็ยังดีมีแก่นมีแกนแกนของไม้ต่างหากแกงคอยแกนของศาสตร์นะคือสิ่สมาธิปัญญาแก่นของพระธรรมพระ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะแปลหมืนรีพันธระธรรมขันย่อลงมาโครงสร้างมาก็คือสินสามาธิปัญญาให้มีแก่นอันนี้ไว้บ้างเดี๋ยวนี้เรามีการให้ทานสร้างวัานสร้างวากันใหญ่โตมโหโฬาไ่จะพูดถึงในเรื่องเนื้อทานขึ้นมาคือสินแล้วก็ได้อบรมได้ฝึกกันมีเจริญอุโบสถธาตินกันบ้างแต่เนื้อสินขึ้นมาเอกมีสมาธิเนื้อสมาธิขึ้นมามีปัญญา เรายังไม่สนใจกันเท่าดีค่ควรก็เลยคิดว่าเออเราจะจัดงานลองโดดนะัดพบผู้ฝ่ายทับนี่ก็เลยคิดต่อไปว่าเราจะหาอะไรมาเลี้ยงไม่แต่พระเนนที่วัดก็ อ, อดอยากเพราะว่าประชาชนอยากไร่ที่อยากไร่นั่นคือความดิ้นรนยื้อย่างสแสวงหามากกพราะด้ยวยความอยากได้ไมันจะหาเวลาที่ไหนมาวัดมาวาความทุกข์บีบันจนเต็มที่นั่นแหละจึงจะห้าเพราเห็นนั้นยามใดมีความทุกข์ แล้วบาบ่าบบบบบบบบบบบบบมบมบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบน่าจะทําได้เรื่องการอบรมประชาชนในแถบถิ่นนี้โดยเฉพาะในสกลนครนครพนมโบนของเรานี่บบานบ่วงอาบาบบบบบบบบบบนบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบปริวาบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ แล้วก็นึกต่อไปว่าทุกๆปีประชาชนต้องมาสูญเสียเพราะการทําบุญให้ทานเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านประเทศนีชาวอีสานจะต้องทําบุญแจกข้าวอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล้มหายตายไปการอุทิศส่วนกุศลทาบุญแต่ละครั้งเหมือนขุดหลุมฝังตนเองให้จมลงไปจมลงไปไปยืมเงินยืมเงินยืมทองมาขายข้าวขายปลาที่จะทําบุญสุนทรธารนั้นการทําบุญแต่ละครั้งเราก็ซิ้นเปลืองเงินทองไม่ใช่น้อย ชาวบ้านนอกผู้ยากไร้เมื่อคิดถึงพ่อแม่คิดถึงผัวถึงเมียถึงลูกที่ล้มหายตายไปปู่ย่าตายายก็เด็กขายข้าวขายปลามาทําบุญมาแจกข้าว <c oughs> การแจกข้าวของเราสูงเสี ย, ยงเงินถอมมากต่อมาจากนังต้องมาจากละครซื้องวัวซื้อควายมาฆ่ามาเลี้ยงคนกินแล้วเมาแล้วรากออกอาเจียนออกกลับมาชีวิตส่วน <c oughs> ที่จะเป็นบุญจริงๆนั้นก็มีน้อยจนทีน้อยเต็มที ก็ไปทำอย่างอื่นซะหมดแต่ <c oughs> ามาก็เลยมาคิดต่อไปว่าเราน่าจะชักชวนพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัทให้มองเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้การทำบุญกับบุคคลผู้มีศีลที่พระพุทธเจา้าบอกว่านิาจะยะทานางังสุขตับประสทาทถังเลือกดีๆแล้วให้ทานแล้วมันจึงจะมีผลมากยะทะทินนังมหัพัลังจะมีผลมากในการเรื่อง บางท่านบอกว่าโอ้ยถ้าจะทําบุญแล้วทายังไงก็ได้ทํากับใครก็ได้จิตใจเราเป็นบุญคิดอย่างนี้มันมีความถูกต้องในเดียวถ้าอย่างนั้นก็จะไปทําบุญกับโจรโจรจะได้มีเรื่องมีแรงมีเงินมีทองมีข้าวปลาอาหารกินอิ่มแล้วมันจะได้มีแรงมาทําความชั่วก่อเวรสั่งกําเผาหลอกให้เรารอดถ้ากเราทําบุญกับคนที่มีคุณงามความดีพระสงองค์เจ้าที่มุ่งมั่นเพื่อพระสานนะประพฤติปฏิบัติทำท่านก็จะมีเรื่องมีแรงสนับสนุนให้ท่านได้ มีโอกาสประกาศ ค, คนงามความดีเป็นที่พึงทางใจแก่พี่น้องแกอยากยอมพุทธบริษัทจะได้พูดให้ฟังทําให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างนี้มันมผลไม่เหมือนกัน<ม>นาดีนาะไม่ดีนาดินเ อ, อื้อตนาดินแคมปูกลงไปงอกขึ้นมาแต่ไม่งามตายซ้ําส่วนนาดีๆทํำน้อยๆก็ได้ผลมากดํำห่างๆกอใหญ่ๆมีรวงหลาย ท่านใดก็ฉันเนั่นเพรานั้นการทำบุญท่านจึงให้เลือกพระพุทธญาณบอกวิจยะทานังสุขตะปตะทังยตตินังมหาพลังเลือกดีๆแล้วให้ทานพระสุขเสเลเซจะมีผลอันยิ่งใหญ่ไม่ไม่เหมือนกันพูกง่ายๆเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าหากเราทำความดีกับคนอากตันยูคนที่ไม่เคยนึกถึงบุญคุณทั้ไปเถิดยกให้ทั้งแผ่นดินพระพุทธญาณบอกเขาไม่คานึงถึง คุณงามพานดีไม่คำหนึง่งทังบุญทังคุณแม่พวกอาคตันยูแม้จะยกแผ่นดินให้ก็ไม่คํานึง่งทังบุญคุณพุทธเจ้าฮันบาอย่างนี้แมนสิทําดีให้ซุ่มแนวน้ําสัวคือจะตักตอนหนาบ่อดเย็นใส่ไส้คนเวลาผู้เนี่ยทำบุญกับคนชั่วมันเท น, น้ำลงไปในสายมันไหลนี้มดเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทําบุญกับคนที่มีบุญมีคนท่านท่านท่าน ท, ที่มีความกตันยูกรตาเวที ให้ข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวท่านกำลํง ล, ลึกถึงพระทรงองค์เจ้าที่มีศีลสมาธิปัญญาวิจารณาานท่านจะคิดเสมอว่าโอ้ข้าวเม็ดหักผักเส้นใดที่ญาติโยมเอามายกใส่กล่าเท้าใส่หัวถวายนั้นไม่ใช่ได้มาโดยง่ายเขาต้องแข่งฟ้าแข่งฝนลุยตมลุยโคลนหับหกต้นฟิดบาแบกลังนุ้นขำไ ม, ม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่กว่าที่จะได้มาแม้พวกเราทั้งหลาย ได้อยู่ได้กินแล้วต้องคำหนึงถึงสิ่งเหล่านี้อย่าทําให้ทางนก็เขาซูนเปล่าเราี่จะเป็นหัวหน้าตกในโลกไม่ใช่ว่าบวชแล้วขึ้นสวรรค์บวชแล้วก็มีสิทธิตกนโลกได้ง่ายอีกด้วยผ้าขาวมีสิทธิจะสกระปรกได้ง่ายกว่าผ้าสีดําๆด้วยซ้ำไปใครท่านร้ายใดคิดดูอย่างนี้เพรนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เราเลือกเรื่องหนึ่งบุคคลที่จะรับทานการที่จะให้ทานสิ่งของที่จะให้ทานอย่างนี้อย่างสิ่งของนี้ให้ทานอย่างเราคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรา พรารงฆองค์เจ้าจำนวนมากมาอบรมกันบวชพวกญาติโยมที่นีศีลเจริญอุโบสถถสิศีลศีลแปดอย่างนี้กินข่าวเวลาเดียวตื่นตั้งแต่ตีสองขึงมาทำจะมาที่ภาวนาอย่างนี้เป็นบุคคลที่อยู่ในศีลในธรรมแนี่ยกำลังหิว้วยกินข่าวเคยกินมา ยากเวลาใดก็กินเวลานั่นทีนี้เอามาอยู่วัดมาบวชในคัมภ า, าร์มามาแต่ไกลๆมาตื่นตั้งแต่ตีสองครึ่งมาทําความเพียรสองจบโมงมาฟังเทศอีกเป็นถั่วโมงมาเอาไหว้พระสวดมนต์มาเจริญเมตตาภาวนาโอ้กว่าจะได้กินข้าวฟาดเข้าไปตั้งสี่โมงเช้าหิวละทีเนี้ยให้ความหิวนั้นแหละจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ให้กับคนที่หิว ให้น้ำสักแก้วหนึ่งแก่ผู้ที่กำลังห้อยหิวน้ำในทะเลทรายเงินล้านบาทอาจจะไม่มีความหมายสำหรับผู้ที่เดินทางในทะเลทรายกำลังหิวน้ำกำลังจะล้มจะตายน้ำแก้วหนึ่งจะมีค่ากว่าเงินหนึ่งล้านบาททั้งกลางทะเลทรายที่กำลังห mm. ิวกระหายน้ำยังไงลองคิดดูว่าการให้มันสำคัญบุคคลผู้ให้บุคคลผู้รับสิ่งของที่ให้การที่ให้เรียว่าการละสมบทาถึงพร้อมเกวยการอยนี้ ข้าวทัพพีหนึ่งมีค่ามากสำหรับผู้ที่หิวโหยในสมัยพุทธกาลพระสารีบุตรพระมหารกรสปาพระอริยเ้ า, าพระเสขาทั้งหลายลูกศิษย์ของพุทธเจ้าท่านเข้านิโรธสมาบาัติเจ็ดวันเจดันออกมาแล้วมันจะต้องหิวร่างกายจะต้องหิวโหยท่านจะต้คิดต่อไปว่าใครเนาะควรจะได้รับบุญรับกุศลจากเราเพราะบาการทีน้กินอะไรมันก็อ ร, อร่อยปลแดกบองจ้ำปลาแดก แกวเฉยๆมันก็แซบและมันก็อร่อยแล้วมีกําลังวังชาท่านก็คิดว่าใครเนาะจะได้บุญคนที่ทําบุญกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติที่กําลังหิวโหยและจิตบริสุทธิ์นั้นได้บุญมากเพราะเห็นนั้นเราจะได้ยินว่าพระสารีบุตรพระมหากระสปะท่านไปเที่ยวบินทบาทหยุดหลังจากออกนิโรธสมาบัติในหมู่บ้านคนจันทานในหมู่บ้านคนเทขยะในหมู่บ้านคนที่เป็นโรคขี้ทุ่ดมุดกุดถังแต่เป็นทุกวันนี้ก็เลยว่า อุมบาตเข้าออนู่นเลยนี่คมโรคเลื่อนคนเป็นเลื่อนเลยถ้าไม่เคยลังเกียจเพื่อส่งเขอเขาเขารู้ยากลําบากเขาไม่มีบุญมีกุศลเขาไม่ได้เคยสร้างไม่เคยทํามาบัดนี้แม้เขาจะฐานสักครั้งเดียวหน่อยๆที่เขามีนั่นแต่จะเป็นบุญเป็นกุศลคือรว่กาการและสัมปทา ซึ่งมันทีกับนักทุดงเราทุกวันนี้เข้าทุดงแตนให้เมืองไปสงขคราคนแตนในเมือ ง, ง, อองจัดงานบริวารศาตมที่กอ็เอารถบรรทุกไปบินทบาวเข้าสารอาหารแห้งในเมืองแล้วก็มาขายต่อไปไม่รู้จะเป็นบุญกันสักขนาดไหนนี่วิธีการข้อ เ, เหตุนั้นให้ข้าวทัพพีหนึง่งแก่ผู้ที่กําลังหอยหิวย่อมเป็นบุญเป็นกุศลที่สดน้ําแก้วหนึ่งมีค่ามากกว่าเ ง, งินล้านในขณะที่หอยหิวกลางทะเลตายจงให้อย่างนี้ ไม่ใช่ว่าเอาหวีไปให้คนหัวร้านเอาแหวนไปนให้คนมือด้วนอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์รจ้องให้อย่างนี้อาตมาก็คิดก็เลยประกาศขึ้นมาว่านัดพบผูกไฟทำแล้วกัท่านผู้ใด้คิดถึงพ่อแม่ลูกผัวเมียที่ลมหายตายไปให้มาทำบุญอุ่ที่ส่วนกุศลทำน้อยแด่บุญมากโยมที่ชิดบานตับบนหัวหน้าการประมศึกสาเพราวันนนี่ว่าท่านปูนีเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบเป็นหัวหน้าในทาง สิ้นในทางทำพูดจนครูบาอาจารย์เขาไม่ชอบหนักว่ามีแต่เทศก็ไม่เป็นไราตามทวนไต่เนีแสงแก่งหงฟูมูช่าบอดใบเขาสิหูหอมได้ขันปรจุดตะเกียงหายขนตาดีสังเสห์หงเลยเนาะมาท่นสังสิคิดจะเรียกหูว่ามีส่องปองข้างเพราะเห็นนั้นท่านก็เลยพูดไปเดี๋ยวที่จิดตามบานแต่ บ, บนี้คนนึ่งก็มาจองผมขอเลี้ยงหนึ่งวันเพื่อทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกูสนให้แกพ่อแม่พี่น้องที่ล้มหายตายไป ปาก็าบอก่านผู้นี้แฉออกมาว่าการทําบุญครั้งนี้เลี้ยงคนห้าร้อยคนนั่นผมได้ทำบุญอุทิศส่วนกวุศลเนี่ยหมดเงินไปสี่พันกว่าบาทแถม ย, ยังเหลืออีกพันบาทเข้ามาร่วมบํารุงในการอฝีการภาษาตนาในวัดเองดูพวกเราทําบุญกันหมดเป็นหมื่นๆแต่ก็ไม่เห็นจะเป็นบุญตรงไหนเลยทีนี้คนที่มารวมกันเป็นสี่ร้อยห้าร้อยจากไกลๆมีเงินเป็นแสนไปจ้างท่านเราเนื่งมาก็ไม่ได้เพราะธรรมมาก็เลยเห็นว่าโอ้ พระชาชนตื่นตัวพอสมควรสิ่งที่น่าคิดอีกอันหนึ่งก็คือเทปบรรยายธรรมะในวันนัดพบผู้ไฟทำภายในเจ็ดวันนี้พอดีคือหาบดีชาวนิคมคำซ่อยคูบาอาจารย์ทางอำเภอเลิงนกกทาได้ฟังเทศและเกิดศรัทธาเลื่อมไสออกเงินออกทองกันไปซื้อเครื่องท้ายเทพเครื่องน้อยๆมาให้ใช่ว่างนี้แต่นวลหนึ่งสองนาทีป้าก็ว่าต้องทางานนัก ทั้งวันทั้งคืนใน่เจ็บวันในพระเนงไม่ได้หลับได้นอนส่วนที่บันทึกเสียงเทปที่บรรยายธรรมะประชาชนมหาชนที่มาเอาพรมสมาธิปริวาตต่างก่อจองขอเอาไ ป, ไปฟังเราก็ให้ถ่ายให้หมวลละยี่สิบาทยี่สิบาทป้าก็ว่าหมดไปหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบกว่ามวลซึ่งมันหมดไม่ไม่มีอีกเลยเราก็ไปสั่งมาไม่ทัน บางคนไม่ได้เสียอกเสียใจต้องขอโทษขออาภัยที่ไม่ได้บริการไม่ถวดถึงทั้งหมดนั้นบางคนอาจจะอาจาอาจะน้อย<า>ใจว่าทำไมเราไม่ได้บางคนก็ฝากเอาไว้ให้ที่อยู่ไหวฟ้าคตางไว้ให้ทรงเทพเหล่านี้ไปให้อาเป็นเครื่องเตือนบอกให้รู้ว่าเรื่งองอรุณแล้วนะการปฏิบัติธรรมทำมาเป็นอากาลิโกไม่ลดสมัย มีคนสนใจเวลาใดมันก็เกิดประโยชน์การประพฤติปฏิบัติถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันจะนำไปสู่ความสงบสุขความร่มเย็นหีืเว้นจากอบายความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆปรากฏว่ามหาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเลยที่ดูเท่านึงพันสามร้อยแปดสิบมวนไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาซะแล้วนี่คือการเคลื่อนไหวอีกก้าวหนึ่งของสังคมพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรา หลายลองคิดดูเถอะว่าเราจัดงานมาเพียงเจ็ดวันนี้อบรมสมาธิปริวาสผู้ที่ฝ่ายทำทั้งหลายเก็มีความสนใจถึงขนานี้นทั้งนครปฐมไยทั้งกรุงเทพไปสั่งกันทั้ชุดเลยตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายแหมตัวนี้ก็หนักหน่อยเครื่องเครื่องถ่ายเทปไม่ทันกันและต่อไปก็จะมีงานอ๋อบอกฝากล่วงหน้าเลยรุ่งอรุณแห่งการปฏิบัติทำครั้งต่อไปท่านทั้งหลายได้มีความสนใจจะเดินทาง ไปร่วมปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาห้าวันห้าคืนที่จังหวัดหนองคายเรียกว่าปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่อีกเก้าต่อไปเจ้าของอเจ้าของรถบัสทางจังหวัดหนองคายอะจมาก็ลืมชื่อไปซะแล้วเกิดมานิมนต์แล้วจะเอารถบัสมารับที่วัดสองคันท่านี้มากก็จะเพิ่มดีเป็นสามเอาประชาชนไปปฏิบัติธรรมวัดเคลื่อนที่ที่บ้านหนองสองห้องวันที่ยี่สิบ ห้ามีนาคมสองพันห้าร้อสามสิบสามยี่สิห้ามีนาคมถึงสามสิบเอ็ดบอกให้ทราบตทั้งหลายอาจจะจำจำแล้วผิดผิดเขียนจดหมายมาถามมาถามกันบ่อยๆเดินมาถามเองก็มีวันที่25ห้ามีนาถึงสามสิบเอ็ดมีนาห้าวันห้าคืนที่บ้านหนองสองห้องอาจังหวัดหนองคายปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่จากนิเพธ ة, ปาร า, ามอบรมสมาธิภาวนา แกประชาชนอยากยมตลอดทั้งอบรมศิลธรรมจริยธรรมแกบุคคลทั่วไปท่านผู้ใฝ่ใจที่เคยได้มาฝึกมาปฏิบัติแล้วก็มีความพอใจบอกว่าเจ็ดวันมันน้อยไปเป็นเดือนก็จะเอาบัดนี้ขอบอกร่วงหน้าถ้าท่านต้องการจะไปฝึกอบรมคอตต่อไปสมาธิภาวนาที่จังหวัดน้องคายหรือว่าวัดเคลื่อนที่จานิเพทพลร า, ามบ้านแพรก็เชิญมารวมรอตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ตอนเย็นที่วัด เตรียมชุดข้าวมาพาชนะใส่อาหารอย่างเก่าเครื่องหน่งหมแล้วก็บ้องกันยุงอะไรต่างๆเตรียมมามารอวันที่24ตอนเย็นรถก็จะมานอนที่นี่แล้วเราก็จะได้เดินทางกันถ้าเกินไม่พอให้มารอกันแน่นๆจะได้สั่งรถคันใหม่เพิ่มและพูดฝากต่อไปอีกรุ่งอดุลแห่งการปฏิบัติธรรมครั้งต่อไปให้มันถึงลุกฟ้าสางของการปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่ เก้าที่สองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งทั้งหมดนั้นก็มีผู้สถาไฟทานิมนต์เองนิมนต์เองเอารถเอารามารับที่อุบลนี้บอกว่ารถบัสสามคันจะมารับเริ่มตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเมษายนถึงสิบเจ็ดเมษายนพบกันที่บ้านขามใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีใกล้ๆสนามบิน วัดใหญ่โตมากพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ชินหลวงพ่อชินซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านหลวงพ่อสายที่มรณะภาพไปแล้ววัดท่านใหญ่โตท่านเคยมาฟังเทศท่านเคยมาเห็นการอบรมท่านบอกว่าอยากจะไปอบรมไปปฏิบัติทางนู่นขอให้ท่านยกวัดเคลื่อนที่ไปขอในมนฑ์เจ้ารถบัสมารับไปถึงนู่นก็จะมอบวัดให้เอาเองนี่เป็นกล่าที่สองอยากยมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจฝ่ายทําหลังจากคบกันที่วันนัดพบผู้ฝ่ายทําแล้ว เมื่อถึงรุ่งอรุณแล้วก็ควรจะถึงฟ้าสายจะให้เมฆงอมงมาปด บ, บงังท่านผู้สนใจก็ะเที่ยมอีกวันที่10เมษายนตอนเย็นมาพบกันที่วิทยาลัยพระรามท่านดีอยู่ใกล้ใกล้เตรียมเครื่องบริการของท่า น, นเครื่องเขาหอมเขาอะไรต่างๆพระเนนมีความสนใจจะร่วมก็ได้ก็ได้อีกเมือกันแต่ก็ต้องบอกลงหน้าอีกนะยาเสพติดมาผู้บริเลิกเด็ดขาดเราจะตั้งฉันเพียงเวลาเดียวในบาท อันเดียวท่านั้นทั้งหมดนี้เพื่อจะเป็นแบบอย่างแก่ญาติโยมพุทธบริษัทเราเป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายปลดปล่อยตอนเองจากพันธนาการเอาแต่สิ่งที่จําเป็นแก่ร่างกายเท่านั้นส่วนที่ไม่จําเป็นต่อร่างกายมันเป็นอาหารเพื่อประดับตกแต่งมัวเมาที่เราได้เชื้อกันเนวัฒ น, น, านา ย, ยนานมาายานมันธนา ย, ยนานวิภูสนายะไม่เป็นไปเพื่อการประดับตกแต่งมัวเมาสูบป้าดับเคี้ยวโกโก้มันไม่มีประโยชน์แก่ร่างกายอะไรเลย เี้ยวแล้วกืนกินตึ๊กเดียวก็ไม่ได้ท า, า, ายทิ้งทมทิ้งไม่มีประโยชน์เอาควันไปรมปอดตอนเองให้มันเกิโดโทษเกิดพิษล้วเป็นอันตรายต่อผู้อื่นนั่นสกปกด้วยจิตใจก็จะสกปรกอย่างนั้นอีกด้วยก็คลายซะเลิกซะผู้อย่างนี้จะก่อากเกียกันนะสาธุอเวโลโหมีแทนติมีกิเลดมิติ ท, ท, ทวบหัวเดากันเป็นกระบุงขออภัย แล้วก็ไม่เอาโทษเอาภัยแก่ท่านดอกยอมยกให้ท่านด่าเองโกรธเองเป็นทุกข์เองอยู่ในนั่นที่นี่อย่าไม่ทุกข์ไปขอขออโหสิกรรมแกกันอะไรกันนี่คือรุ่งอรุณอันนี้ทําให้อดัมามีความรู้สึกว่าโอ้เรานึกไม่ถึงเลยว่าจะเป็นถึงขนาดนี้ประชาชนจํานวนมากสี่ร้อยห้าร้อยมาแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านพอใจที่จะอยู่แล้วก็ที่น่าคิดอีกที่จะ ก, ก็คือส้นใจ่ธรรมะ เทปการบรรยายธรรมต้น น, นเนี่ยพันสามร้อยแปดสิบน้รู้สึกว่าเป็นการห <c oughs> มุนกลงล้อแห่งธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและมีความหมายก็เลยนึกตอบไปว่าถ้าหากมันเป็นอย่างนี้มหันมืองเราก็คงจะไม่หูปาตาเถื่อนกันจนเกินไปฟังกันรู้เรื่องฟังกันรู้เรื่องมันคงจะถึงท้าวที่คนโบราณว่าสาตนาพปะเจ้าองค์ปะเสดตะพั น, นูล่างเอบกล่างเธอเต็มดังพจรอยู่ทั้งฝ้า ศาสนาลวงเขาสองพันปีปลายเสษสองอยู่หองเห็นแจงของหอถ้ำหากเป็ยังเลือหน่อยในคลองพุดโถวาดส่วนห ล, ล, ล, ล, ลายไล่ล่าถิมคลองสงตาปล่อยวินัยถือแต่หน่อยพ่อได้หูหอมรุ่งไม้กวางมันยังมีอยู่ผู้รู้ผู้เห็นก็นยังมีผู้ที่ทาเติมเสียก็มีอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาโลกมันเป็นอย่างนี้อาจจะมายังไม่คิดไกลต่อไปว่าเออคนหนึ่งไปเที่ยวปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมา แต่ความหลับไหลงมงายอี ก, กลงนึ่งก็เที่ยวไปแจกยา น, นอนหลับเอากินยี่ห้อนี้หลับต่อไปปลุกเตือนขึ้นมาใหม่กินยี่ห้ออื่นต่อไปผาทรงองค์เจ้าที่ไปยั่วย้อมมอมเมาประชาชนให้ล่องไร้งมงายบอกเหลกบอกห้อยสักตามมอมเตกบานรถน้นํามนต์ผ่อนน้ำมัน นั้นยังมีมากไปเจอหมื่นเจอหนี้ไปสระดอกเคาะตัดกําตัดเวรเสริมตัดเเ ส, ส, ส, ส, ส, สริมมงคลเป็นหมอยาเป็นหมอไห่ผีหมอกันลูกซสอนไปเปิดประตัยมีดอกเล่มที่กาวขนลุกขนพองที่พระพุทธเจ้าด่าว่ายในศีลขันธ์ท่าวักทีคันธ์ใหนั้นสูดเล่มแรกของพระโสดไปอ่านเธอไปอ่านเธอท่านจะเห็นลักษณะเช่นนี้เทวะคนหนึ่งไปทําสะอาดไหวอีกคน จะม่วนมากก็พากันไปทำโซกโปกอ้าวพวกนึงไปแจยานอนหลับอีกคนหนึ่งไปปลุกกันตื่นขึ้นมาไปกินยี่ห้อใหม่ไปเลยก็จะต้องทำหนนะักนะกันไปอย่างนี้อย่างไรก็ตามผู้ตื่นมีมาแล้วดังที่เห็นมาอบรมนี่ตั้งห้าร้อยกว่าคนมาสัง่งพวกเเทปบันทึกเสียงไปเป็นพันสามร้อยแปดิมลสแสดงว่าเราทั้งหลายได้ตื่นขึ้นกันบ้างแล้วไม่ใช่ตื่นแบบงมงาย แต่ก็ตื่นแบบพุทโธดังที่กล่าวแล้วพุทโธขั้วาปากเป่าไม้ไห้ว่าตื่นมากพอไงไม่ไงเอ้เราได้เติ่นกันขึ้นเดี๋ยวนี้มีคนมาถามมีจดหมายมีอะไรบ้างเมื่อไรวัดเคลื่อนที่บอกทีจะได้ไปอีกด้วยกำลังสนุกในการประพฤติปฏิบัติธรรมสาธุ ข, ขออนุโมทนาอันนี้เรียกว่ารุ่งอรุณแห่งการปฏิบัติธรรมทางสามาธิภาวนาเอาหลักรำความสงบความร่มเย็นแห่งจิต มาดำรงสภาวะจิตให้ปกติมั่นคงจะได้ไม่เป็นทุกข์จนเกินไปไม่ต้องมากัดกุ่มเป็นโรคประสาทูคอตายโคราซิโคร์ไบโออย่างที่พวกประเทศที่เขาจเจริญเจริญเขาเป็นอันนี้เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรารักษาพุทธศาสนาเสด็อทอดมาจนถึงเราบัดนี้เราจะรักษาต่อไป ให้ผู้ศาตานายังเหลือข้างอยู่ในจิตในใจของเราใหม่เป็นทุกข์ใหม่เป็นรอน้อนตะบายตะบายมีความรู้เท่าทันโลกหูเท่าทันชีวิตไายมากก็ไม่ดีใจเสียไปก็ไม่โศกเศร้าต้องเข้าใจสิ่งทั้งหลายเรื่องหน้าไว้ก่อนว่างสิ่งที่เราได้มานี่มันจะต้องสูญเสียไปสิ่งที่เราสูญเสียไปเพราะเราเคยได้มันมา <c oughs> ได้มาแล้วจะไม่สูญเสียไปไม่ได้แม้ต้นยางสูงใหญ่ยังโค่นหักประซาอะไรกับสิ่งที่เรารักจะมีพักหักหายทําลายลง <c oughs> เรารู้เท่าดันเราไม่เป็นเจ้าของมานเป็นนายของมานไม่เอามาตั้งไว้บนหัวตั้งไว้ใต้ตีนลนักษณะเช่นนี้ต้องอาศัยจิตเป็นสมาธิลักษณะเช่นนี้อาศัยจิตนี้สติมีสัมปชัญญะซึ่งสมาธินั้นจะเป็นกําลังให้สติให้สัมปชัญญะทำงานกันต่อไปเราก็จะก้าวไปสู่ความเจริญทางจิตใจทางศาสนะไม่ต้องถามว่าสำนักีท่านสอนยังไงอ่อนสำนักโนนพุทโธสำนักมียุบเนอผของเนอสำนักนั้นสมาอาละหังสำนักนั้น ไว้นี้งเงีนเนยบเงียบเงียบอะไรต่างๆเราไม่ต้องมางงุเรามาวัดกันที่กินเลยที่จิตที่ใจว่าปฏิบัติแล้วจิตใจมันปล่อยวางไหมปฏิบัติไปแล้วจิตใจมันบรรเทาเบาบ า, บางไหมวิราคาวิสังโยคะอาปิจยาอภิ ช, ชตาสั้นทุธีปวิเวกับเวริยารัมภะสุภรตาปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อความจางคายเป็นไปเพื่อความง่ายคายกำหนัดเป็นไปเพื่อความไม่อยากใหญ่อยากดังเป็นไปเพื่อความไม่สะสม ความทุกข์กองกี่เละทั้งหลายเป็นไปเพื่อความมักน้อยเป็นไปเพื่อความส ง, งบเป็นไปเพื่อความพอใจยินดีในตนเองในสิ่งที่ตนไม่ยินดีในสิ่งที่ได้เป็นไปเพื่อความเ<อ>รื่องง่ายเป็นไปเพื่อประกอบความเพียรไม่เบื่อหน่ายมวนซึมโฮเซลในการทํานี่มวลซึมไปตรงโฮเซลดอกวั น, นในการประพฤติปฏิบัติเออดูจิต ด, ดูใจว่าความทุกข์มันลดลงไหม ความอยากใายความโกรธมันลดลงไหมความโลภมันลดลงไหมถ้ามันลดลงมากมันก็มีความทุกข์น้อยแย่นี่เราต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติเพื่อไม่ทุกข์เพื่อออกจากทุกข์สัพพทุกขะนิสสนะนิพพาน ะ, ะสติกะรณาทายะเพื่อออกจากทุกข์นิสสนะแปลว่าออกสัพพทุกขนิสสนะเพื่อทํานิพพานคือความดับทุกข์ให้แจ้ง บูใส่ที่จิตจิตใจเราปฏิบัติพุธโธสัมมาอรหังยุบนอพองนอไว้หวอะไรก็ตามเพ่งลูกแก้วดวงกลมใจเนื้อสะดึงสองนี้จิตใจเราเบาบางลงไหมเนี้ยเขาด่ามาโกรดน้อยลงมาหรือไม่โกนเลยหรือยิ่งโกนอย่งนี้ที่ถิมานะอย่างมีอีกโก้ยิ่งขึ้นขึ้นอยู่มีซูเปอร์อีกโก้มีความยึดมั่นถือมันว่าคาเป็นผู้มีสิทธินน์มีทำเถื่อนทุกทุคนเลยถ้าอยังงี้ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่อง เพาะเรการปฏิบัตินั้นจะต้องมาวัดกันให้เห็นรุ่งอรุณจนฟ้าสางโดยที่จิตที่ใจเรามีความทุกข์น้อยลงไหมถ้ามีความทุกข์ลดลง25เปอร์เซ็นตบอกได้เลยว่าเป็นโสดาวันผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมถ้าความทุกข์ในจิตในใจลดลง50เปอร์เซ็นเป็นสกิทาคามีไปลเลยถ้าความทุกข์ลดลง75เปอร์เซ็นเกาะเป็นอาณาคาหมี ท่าความทุกข์ลดลงหมดเลยร้อยเปอร์เซนก็เป็นพระ อ, อรหันได้เอาอย่างนี้ดีกว่าแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกให้เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพระ อ, อรหันดอกท่านบอกให้เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อจะดับทุกข์เวลาใดใครฟังเทศเข่าอกเข้าใจแล้วอยากจะบวชท่านก็จะบอกว่าเอหิพิคุปสัมปทาพมาจาเรยังจรรทะอันโตทุกสาอันตะจริยายะนั่นอกมามาเป็นภิกษสุสง มาประพฤติพรมาจารย์นี้เพื่อกระทําที่สุดแห่งทุกข์ทำไม่ได้บอกว่ามาประพฤติพรมาจารย์นี้เพื่อจะเป็นพระอรหันต์มาปรพฤติพรหมาจารย์นี้เพื่อเป็นโซดาบันเป็นสักขาคาเป็นอนาคาเป็นอรหันต์กันเถิดท่านไม่เคยพูดเลยแต่ท่านบอกว่าเพื่อดับทุกข์อันโตทุกขะสะอันตะกิริยายะมาประพฤติพรมาจารย์เพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์ให้ความทุกข์ถึงที่สุดแล้วมันลดทิ้งจนไม่มีความทุกข์อีกเลย เพราะหตนั้นรุ่งรุ่นแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นท่านทั้งหลายผู้สนใจใฝ่บุญจงไปเถิดที่ไหนมีการอบรมสมาธิภาวนาไปเถิดไปฝึกเนื้อฝึกตัวฝึกแล้วความทุกข์ลดลงไหมโกรให้โลกให้หลานน้อยลงไหมอยากตายลดลงไหมไม่ใช่ว่าไปปฏิบัติธรรมกลับมาลูกหลานแย่นเอ้ยกูอยากตายเด้ พญากม้มพญเวิเ่เลยเมื่อเอาภูเขาไปเทินหันหน้าเข้าฟ้าเช็ดน้ำตาผู้เท่าตกนาโลกตกนาลกทั้งเป็นไปปฏิบัติธรรมกลับมาพัวถามได้หลายแถว บ, บุญทันอาอ่อนซ่อนเด้เจ้าตอนบุญจะมันไปโดนยังบนนอนอยู่บัดหน้าดำตาแดงแยเ่เกี้ยวแย่คางเป็นยักษ์ขี้มีขึ้นมานั่นแสดงว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้กล่าวหน้าอะไรเลย แกพูดโทก็ไม่กล่าวหนายดหน่อพองนอไม่กล่าวหนา้ามาัง้นงต่างๆไม่กล่าวหนาทั้งนั้นถ้าส่งเหล่านี้มันเพิ่มขึ้นถ้ามันโลกลดลงลดลงเขาด่าก็ให้เจ้าตอนผลเนือสังบนนนทนจังหวัดผลได้ร้ายแทบบุญสาธุออยดีไม่แห้งอยคือพออาจจะเจ้าายรายแต่ก็ขอเวลานี้พอได้ประพฤติปฏิบัติดูน้ำเจ้าสามร้อต่อปีอยขอจกมืพอจะเือนเยอยเอาบมาฝาก ดามาก็ยิ้มยักษ์โคโนเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเทพปฏิดายิ้มยักษ์มันกลัวยิ้มเดี๋ยวมันกระตายถ้าเรารูดามาครั้งนี้ก็กโก้ขึ้นดาตอบยักษ์เคินบ้านแล้วทั้งโคโนทั้งที่นี่ได้ตีกันลกยักษ์ร้องให้สนันบันไว้คบกับบากศากเบือปูว่นนี่หรือคือผู้ปฏิบัติธรรมเพราะเหตุนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องอรูณแห่งการปฏิบัติธรรมได้เกิดมีขึ้นมาแล้ว ดังภาพที่ได้พบได้เห็นในวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมก็เลยฝาต่อไปท่านที่รุ่งอรุณแล้วจะไปถึงยุคฟ้าสางต่อไปให้จิตใจมัน ส, ว, สว่างสวยด้วยความที่จิตใจได้รับการอบรมมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอย่างเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาแห่งชีวิตสิเพื่อป้องกันความทุกข์หยาบหยาบสมาธิป้องกันทาลายความทุกข์อย่างกลางๆง ปัญญาป้องกันและทำลายสมาทำลายความทุกข์อย่างละเอียดละเอียดอนุใสสังโยไทสิ่งไปให้หมดไปนิสัยที่เคยโกรดนิสัยเคยเกลียดเคยเหี้ยเค ย, เคยชังชง่ายๆฉุนเชียวง่ายๆก็ให้มันหมดไปมันสิ้นไปทีละเล็กทีละน้อยนุ่นเราทำลายต้นไม้ตัดกิ่งตัดก้ารา น, น, นรากิ่งตัดต้นโคนรากถึงถอนออกมาให้มันหมดไปให้มันสิ้นไปเนี่ย คือการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาซึ่งที่น่าประทับใจและรุ่งอรุณอีกอันหนึ่งก็คือผู้ทำบุญตลอดเวลาเจดวันนี้มาจองกันเพื่อคนละวันคนละวันทำบุญอูที่ส่วนกุศลให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล้มหายตายจากสาธุไม่ได้ขาดตัดตัดชีวิตอะไรไม่ได้จงังนั่นจงจังละครล้วนได้เป็นการสนับสนุนพระพุทธศาสนาและผู้มีศีลทั้งหลายยังไม่พอพองานเสร็จปับ๊บโดยไม่มีคนจองอีกแล้ว ปีหนะผมจะจองวันนั้นวันนั้นบางคนขอจองอย่างคุณยมที่บ้านมั่คุณยมนิพนบอกผมขอจองแล้วเด้อมึงปีหน้ผมเอาหมูสุดท้ายไปฉันจะเอารถบานมาตั้งไว้รอคอยส่งอีกด้วยแน่เห็นไหมละ่ะบุญเกิดแล้วรุ่งอรุณแล้วสาธุขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะอย่าเพิ่งตายจากกันจนถึงปีหน้าได้ทําบุญร่วมกันคุณยมนิพนที่บ้านมนั่ท่านผู้นี้ทำบุญดีดีเหลือเกินคุณยมนิพนอุปการะคนที่ซ้อมชื่อของท่าน ตอนนี้เวลาแห่งการบรรยายเราหมดไปแล้วขอความสุขสวัสดี